ธรรมบทภาคที่สปุพพวักวันานาเสนอเรื่องที่สเรื่องพระเจ้าวิถูทพะพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระนครสาวัตถีทรงปราร พ, พระเจ้าวิถูทพะพร้อมทั้งบริสัท ซึ่งถูกห่วงน้ำท่วมทับให้สวรรคตแล้วตรัสพระธรรมเทศนานิว่าปุภานิเฮวะปจินันตังเป็นต้นอนุบุพีกถาในเรื่องนั้นดังต่อไปนี้พระกุมารสามพระองค์เหล่านี้คือพระราชโอรสของพระเจ้ามหาโกศล ในพระนครสาวัตถีพระนามว่าเประเซนที่กุมารพระกุมารของพระเจ้าลิชวีในพระนครเวสาลีพระนามว่ามหาลิโอรสของเจ้ามันละในพระนครกุศินาราพระนามว่าพันธุละเสด็จไปนครตากศิลาเพื่อเรียนศิลปะในสำนักอาจารย์ที่สาปามโมกมาพบกันที่ศาลานอกพระนครต่าง ก็ถามถึงเหตุที่มากระกูลและพระนามของกันและกันแล้วเป็นพระสายกันร่วมกันเข้าไปหาอาจารย์ต่อการไม่นานนักก็เรียนศิลปะสำเร็จจึงกราบลาอาจารย์พร้อมกันเสด็จออกจากกรุมตกศิลาได้ไปสู่ที่อยู่ของตนของตนบรรดาพระกุมารทั้งสามพระองค์นั้นประเสนที่กุมารทรงแสดงศิลปะถวายพระชนก อันพระชนกทรงเลื่อมใสแล้วจึงอภิเศกในรัชสมบัติมหาลิกูมานเพื่อจะทรงแสดงศินลิปะแก่เจ้าลิชวีทั้งหลายก็ทรงแสดงด้วยความอุตสะหามากพระเนตรของพระองค์ได้แตกไปแล้วพวกเจ้าลิชวีปรึกษากันว่าผู้โถเอ้ยอาจารย์ของพวกเราถึงความเสียพระเมตรแล้วพวกเราจะไม่ทอดทิ้งท่าน จากบำรุงท่านดังนี้แล้วจึงได้ถวายประตูด้านหนึ่งซึ่งเก็บสวยได้วันละแสนแก่มหาลิกุมานนั้นพระองค์ทรงอาศัยประตูนั้นให้โอรสของเจ้าริชวีห้าร้อยองค์ทรงศึกษาศิลปะอยู่แล้วฝ่ายพันธุลกุมารเมื่อพวกตระกูลมลราชกล่าวว่าขอพันธุลกุมารจงฟันไม้ไผ่เหล่านี้ดังนี้แล้ว ได้กระโดดขึ้นไปยังอากาศสูงถึง8ปดอกเอาดาบฟันมัดไม้ไผ่หกสิบลำที่พวกเจ้ามันละเอาไม้ไผ่หกสบลำใส่ซี่เหล็กในท่้ำกลางแล้วให้ยกขึ้นตั้งไว้ขาดกระเด็นไปแล้วพันธุลกุมาร น, นั้นได้ยินเสียงดังกริ๊กของซี่เหล็กในมัดสุดท้ายจึงถามว่านี่อะไรได้ยินว่าเขาเอาซี่เหล็กใส่ในไม้ไผ่ทุกมัดแล้ว จึงทิ้งดาร้องไห้พรางพูดว่าบรรดาญาติและเพื่อนของเราประมาณเท่านี้แม้แต่คนเดียวซึ่งเป็นผู้มีความสิเนหาในเราไม่ได้บอกเหตุนี้แก่เราก็หากว่าเราพึงรู้ใจพึงฟันไม่ให้เสียงสี่เหล็กดังขึ้นเลยและทูลแก่พระชนนีและพระชนกว่าหม่อมฉันจักฆ่าเจ้ามันลาเหล่านี้แม้ทั้งหมดแล้ว ครองราชสมบัติอันพระชนนีและพระชนกห้ามแล้วโดยประการต่างๆเป็นต้นว่าลูกเอ้ยนี้เป็นราชประเพณีเจ้าไม่ได้เพื่อจะทำอย่างนั้นจึงพูดว่าถ้ากระนั้นหม่อมฉันจกไปสู่สำนักเพื่อนของหม่อมฉันดังนี้ได้เสด็จไปเมืองสาวัตถีแล้วพระเจ้าเปรเซนที่ทรงทราบการเสด็จมาของพันธุลานั้น ก็ส่งต้อนรับเชิญให้เสด็จเข้าไปพระนครด้วยสักการาใหญ่แล้วทรงตั้งไว้ในตำแหน่งเสนาบดีพันธุลากเสนาบดีนั้นได้เชิญพระชนนีและพระชนกมาพักอาศัยอยู่ในเมืองสาวัตถีนั้นนั่นแหละภายหลังวันหนึ่ง พระราชาประทับยืนอยู่ปราสาทชั้นบนทอดพระเนตรไปยังระหว่างถนนเห็นภิกษุหลายพันรูปซึ่งไปเพื่อต้องการทำพัฒจิจในครุหาตของท่านเหล่านี้คือท่านอนาถบิณฑิกาเศรษฐีจูละอนาถบิณฑิกาเศรษฐีนางวิสาขานางสุปวาสาจึงตรัสถามว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายไปไหนกัน เมื่อพระราชบุรุธทูลว่าข้าแต่สมุติเทพภิกษุสอง0รูปไปเพื่อประโยชน์แจพัดทั้งหลายมีนิจพัดสลากกพัดและขีลานพัดเป็นต้นในครือหาของอนาถบิณฑิกเศรษฐีทุกๆวันภิกษุ500รูปปัดไปครือหาของจุลาอนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นนิจของนางวิสาขาและนางสุปวาสาก็เช่นเดียวกัน ดังนี้แล้วทรงพระประสงค์จะบำรุงภิกษุสงฆ์ด้วยพระองค์เองบ้างจึงเสด็จไปวิหารทรงนิมนต์พระาศาสดาพร้อมกับภิกษุพันรูปถวายทานด้วยพระหัต์เองสิ้นเจ็ดวันในวันที่เจถวายบังคมพระาศาสดาแล้วทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์จงทรงรับภิกษะของพระองค์พร้อมด้วยภิกษุห้าอรูป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 ของพระอานุทัธิระพระราชาไม่ทรงจัดเจ้าหน้าที่ไว้ว่าเมื่อภิกษุทรงมาแล้วชื่อว่าชนเหล่านี้รับบาทแล้วจงอังคาาทรงอังคาา ด, ด้วยพระองค์เองเท่านั้นตลอดเดวันในวันที่8ทรงลืมไป จึงได้ทรงกระทำให้เนื่นช้าแล้วก็ธรรมดาในราช ก, กูลชนทั้งหลายอันพระราชาไม่ได้ทรงสั่งแล้วยอมไม่ได้เพื่อปูอาสนะทั้งหลายนิมนต์พวกพิกสุให้นั่งแล้วอังคาตพวกพิกสุก็คิดกันว่าเราไม่อาจเพื่อยับยั้งอยู่ในที่นี้ได้พากันหลีกไปเสียหลายรูปแม้ในวันที่สองพระราชาก็ทรงลืมแล้ว แม้ในวันที่สองภิกษุเป็นอันมากก็พากันหลีกไปถึงในวันที่สพระราชาก็ทรงลืมในการนั้นเว้นพระอนุนเทระองค์เดียวเท่านั้นภิกษุที่เหลือพากันหลีกไปหมดธรรมดาผู้มีบุญทั้งหลายย่อมเป็นผู้เป็นไปในอำนาจแห่งเหตุ จึงรักษาความเลื่อมใสแห่งตระกูลทั้งหลายไว้ได้ก็สาวกของพระาชฐาคตแม้ทั้งหมดที่ถึงฐานันดรตั้งต้นแต่ชนทั้ง8ดเหล่านี้คืออัครสาวกสองรูปคือพระสารีบุตรเทระพระมหาโมคคลานาเทระอัครสาวิกาสองรูปคือนางเขมานางอุบลวณาบรรดาอุบาสกทั้งหลายอุบาสก ผู้เป็นอักราสาวกสองคนคือกิตะกระ บ, บดีหัถกะอุบาศบชาวเมืองอาลวีบรรดาอุบาสิกาทั้งหลายอุบาสิกาผู้เป็นอักรสาวิกาสองคนคือมานดาของนันทมานพชื่อเวลู ก, กันตะกีนางกุจุตราล้วนมีบุญมากสมบูรณ์ด้วยอภินิหารเพราะความเป็นผู้บำเพ็ญบารมี10บโดยเอกเทศ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 และโพชนิยะตั้งอยู่อย่างนั้นแหละจึงประทับถามว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายมิได้มาหรือทรงสดับว่าพระอานนทีระมารูปเดียวเท่านั้นพระเจ้าค่าทรงพิรุธพิษุทั้งหลายว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายได้ทําการตัดขาดต่อเราเพียงเท่านี้เป็นแน่จึงเสด็จไปสํานักพระาศาสดากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ ข้าพระองค์จัดแจงภิกษาไว้เพื่อภิกษุห้าร้อรูปทราบว่าพระอนุนเทรารูปเดียวเท่านั้นมาภิกษาที่หม่อมฉันจัดแจงแล้วตั้งอยู่อย่างนั้นนั่นเองภิกษุห้าร้อรูปไม่กระทำความสำคัญในพระราชวังของหม่อมฉันเลยจักมีเหตุอะไรน้อแหล พระศาสดาไม่ตรัสโทษของพวกภิกษุตรัสว่ามหาบอพิษสาวกทั้งหลายของอัตมภาพไม่มีความคุ้นเคยกับพระองค์เพราะเหตุนั้นภิกษุทั้งหลายจากไม่ไปแล้วเมื่อจะทรงประกาศเหตุแห่งการไม่เข้าไปและเหตุแห่งการเข้าไปสู่ตระกูลทั้งหลายตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสพระสูตรนี้ว่าภิกษุทั้งหลาย ตระกูลที่ประกอบด้วยองค์ก้าภิกษุยังไม่เข้าไปแล้วก็ไม่ควรเข้าไปและครั้นเข้าไปแล้วก็ไม่ควรนั่งใกล้ตระกูลที่ประกอบด้วยองค์ก้าเป็นไงตระกูลที่ประกอบด้วยองค์ก้าเหล่านี้คือเขาไม่ต้อนรับด้วยความพอใจไม่เอภิวาส ด, ด้วยความพอใจไม่ให้อาสนาด้วยความพอใจ ซ่อนของที่มีอยู่ของเขาไว้เมื่อของมีอยู่มากก็ให้แต่น้อยเมื่อมีของประณีตก็ให้ของเศร้าหมองให้โดยไม่เคารพไม่ให้โดยเคารพไม่นั่งใกล้เพื่อฟังธรรมเมื่อกล่าวธรรมอยู่เขาก็ไม่ยินดีภิกษุทั้งหลายประกูลที่ประกอบด้วยองค์ก้าเหล่านี้แลภิกษุยังไม่เข้าไปแล้วก็ไม่ควรเข้าไปและ ครั้นเข้าไปแล้วก็ไม่ควรนั่งใกล้ภิกษุทั้งหลายตระกูลที่ประกอบด้วยองค้าภิกษุยังไม่เข้าไปก็ควรเข้าไปและเมื่อเข้าไปแล้วก็ควรนั่งใกล้ตระกูลที่ประกอบด้วยองค้าเป็นไฉตตระกูลที่ประกอบด้วยองค้าเหล่านี้คือเขาต้อนรับด้วยความพอใจอภิวาท ด, ด้วยความพอใจให้อาสนะด้วยความพอใจ ไม่ซ่อนของที่มีอยู่ของเขาไว้เมื่อของมีมากก็ให้มากเมื่อมีของประณีดก็ให้ของประนีดให้โดยเคารพไม่ให้โดยไม่เคารพเข้าไปนั่งใกล้เพื่อฟังธรรมเมื่อกล่าวทำอยู่เขาก็ยินดีภิกษุทั้งหลายตะกูลที่ประกอบด้วยองค้าเหล่านี้แลภิกษุยังไม่เข้าไปก็ควรเข้าไปและครันเข้าไปแล้ว ก็ควรนั่งใกล้แล้วจึงปรัสว่ามหาบาพิษสาวกของอัตมาภาพเมื่อไม่ได้ความคุ้นเคยจากสำนักของพระองค์จึงจักไม่ไปด้วยประการชนิแลแท้จริงบุรณกับบัณฑิตทั้งหลายแม้เขาบำรงอยู่ด้วยความเคารพในที่ที่ไม่คุ้นเคยถึงเวทนาแทบปางตายก็ได้ไปสู่ที่ของผู้คุ้นเคยกันเหมือนกัน อันพระราชาทูลถามว่าในการไรพระจ้าข้าทรงนำอดีตนิทานมาสาธกดังต่อไปนี้ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตสวยราชสมบัติในพระนครพระนศีพระราชาทรงพระนามว่าเกศวะทรงสละรัชสมบัติ ผนวดเป็นฤาษีบุรุษห้0อคนออกบวชตามพระราชานั้นเท้าเธอในพระนามว่าเยสวะดาบทอหนึ่งนายผูสามาราของพระองค์ก็ได้ตามบวชเป็นอันเตวาสิกนามว่ากัปปกะเยสวะดาบทกับบริษัทอาศัยอยู่ในหิมวันตประเทศสิ้นแปดเดือนในฤดูฝนเพื่อต้องการเสบรสเค็มและรสเปรี้ยว ไปถึงกรุงพระนศีแล้วเข้าไปสู่พระนครเพื่อพิจารณาลำดับนั้นพระราชาทอดพระเนตรเห็นดาบทนั้นโงเลื่อมใสแล้วทรงรับปฏิญญาเพื่อประโยชน์จากการอยู่ในสำนักของพระองค์ตลอดสี่เดือนนิมนต์ให้พักอยู่ในพระอุทยานยอมเสด็จไปสู่ที่บำรุงพระดาบทนั้นทั้งเย็นทั้งเชา้าพวกดาบ ท, ที่เหลือพักอยู่สองถึงสาวัน รําคาญด้วยเสียงอึ่งขนึงต่างๆมีเสียงช้างเป็นต้นจึงกล่าวว่าท่านอาจารย์พวกกระผมรําคาญใจจะไปหลักเจสวะกล่าวว่าจะไปนในกันพ่ออันเตวาสิกเรียนว่าไปสู่หิมวันตประเทศท่านอาจารย์เจสวะดาบทกล่าวว่าในวันที่พวกเรามาทีเดียวพระเจ้าแผ่นดินทรงรับปฏิญญา เพื่อประโยชน์จากการอยู่ในที่นี้ตลอดสี่เดือนพวกเธอจกไปเสียอย่างไรเล่าพ่ออันเตวาสีกล่าวว่าท่านอาจารย์ไม่บอกพวกกระผมเสียก่อนแล้วจึงถวายปฏดิญญาพวกกระผมไม่สามารถจะอยู่ในที่นี้ได้จักอยู่ในที่ที่พอฟังความเป็นไปของท่านอาจารย์ได้ซึ่งไม่ไกลจากที่นี้ดังนี้พากันาาไหว้อาจารย์แล้วหลีกไปอาจารย์ คงอยู่กับอันเตวาสิกชื่อว่ากับประกะเท่านั้นพระราชาเสด็จมาสู่ที่บำรุงตรัสถามว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายไปไหนเกสวดาบ ท, ทูนว่ามหาบอพิษพวกดาบทเหล่านั้นบอกว่าพวกกระผมรำคาญใจดังนี้แล้วก็ไปสู่ฮิ ม, มวันตะประเทศการต่อมาไม่นานนักแม้กัปะกะดาบทก็ราคาญแล้วแม้ถูกอาจารย์ห้ามอยู่บ่อยๆก็กล่าวว่าไม่อาจ แล้วก็หลีกไปแต่กับประกาบทนั้นไม่ไปสํานักของพวกดาบทนอกนี้คอยฟังข่าวของอาจารย์อยู่ที่ไม่ไกลนักในการต่อมาเมื่ออาจารย์คิดถึงพวกอันเทวาสิกโรคในท้องก็เกิดขึ้นพระราชารับสั่งให้แพทย์เยียวยาโรคก็ไม่สงบได้พระดาบทจรงทูลว่ามหาบาพิษพระองค์ทรงพระประสงค์ จะให้โรคของอัตมาภาพสงบหรือพระราชาตรัสว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญหากว่าข้าพเจ้าอาจก็พึงทําความผาสุขแก่ท่านเดี๋ยวนี้แหละดาบ ท, ทูลว่ามหาบาพิษหากว่าพระองค์ทรงปรารถนาความสุขแก่อัตมาภาพไซโปรดทรงอัตมาไปสํานักพวกอันเทวาสิกเถิดพระราชาทรงรับว่าดีละขอรับแล้วให้ดาบทนั้น นอนบนเตียงน้อยทรงส่งอํามาดไปซีนายมีนารชอํามาดเป็นหัวหน้าด้วยรับสั่งว่าพวกท่านทราบข่าวของพระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วพึงส่งข่าวถึงเรานะกัปป ะ, ะอันเตวาสิกทราบว่าอาจารย์มาก็ทําการต้อนรับเมื่ออาจารย์กล่าวว่าพวกนอกนี้ไปอยู่ที่ไหนกันจึงเรียนว่าทราบว่าอยู่ที่โน้อนอันเตวาสิกแม้เหล่านั้น ทราบว่าอาจารย์มาแล้วมาประชุมกันณนะที่นั้นนั่นแหลถวายน้ำร้อนแล้วได้ถวายลาผลแจ่อาจารย์โรคสงบแล้วในขณะนั้นนั่นเองพระดาบทนั้นมีวันนะประุดทองคำโดยสองถึงสวันเท่านั้นลำดับนั้น นารชาอามาต ถ, ถามว่าข้าแต่เจสีดาบทผู้มีโชคอย่างไรหนอท่านจึงละพระราชาผู้เป็นจอมแห่งมนุษย์ผู้บรรดาลสมบัติหน้าใคร่ทั้งสิ้นให้สำเร็จเสียแล้วยินดีในอาสมของกัปปกระดาบทท่านตอบว่าคำไพเราะชวนให้เรื่นรมมีอยู่รุกขชาติเป็นที่เพลินใจมีอยู่ดูก่อนนารชา คำที่กับปะกะกล่าวดีแล้วย่อมให้เรายินดีได้นารทชาอัมมา ถ, ถามว่าท่านบริโภคข้าวสุกแห่งข้าวสาลีอันจืดด้วยเนื้อดีดีแล้วข้าวฟ่างและลูกเดือยซึ่งหารสเค็มไม่ได้จะทำให้ท่านยินดีได้อย่างไรท่านตอบว่าผู้คุ้นเคยกันบริโภคอาหารไม่อร่อยหรืออร่อย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 พระราชาในครั้งนั้นได้เป็นโมฆะลานะนารทะอมาตได้เป็นสารีบุตรอันเตวาสิกชื่อกัปะปากะได้เป็นอานน์เกศวดาบดได้เป็นเราเองดังนี้แล้วตรัสว่าอย่างนั้นมหาบาพิษบัณฑิตในปางก่อนถึงเวทนาปางตายก็ได้ไปสู่ที่คนมีความคุ้นเคยกันแล้วสาวกทั้งหลายของอัตมาภาพ เช่รอยจะไม่ให้ความคุ้นเคยในสํานักของพระองค์พระราชาทรงดําริว่าเราควรจะทําความคุ้นเคยกับภิกษุสงฆ์เราจะทําอย่างไรหนอดังนี้แล้วทรงดําริอีกว่าควรทํำพระธิดาแห่งพระญาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ในพระรานเทียนเมื่อเป็นเช่นนี้ พิสุนมและสามเณรก็จะคุค้นเคยแล้วมาอย่างสำนักของเราเป็นนิดได้คิดว่าพระราชาเป็นพระญาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนี้จึงทรงส่งพระสารไปสำนักสากยะทั้งหลายว่าขอเจ้าสากยะทั้งหลายจงประธานพระธิดาคนหนึ่งแจม่มอมฉันแล้วรับสั่งบังคับทุตทั้งหลายว่าพวกท่านพึงถามว่าเป็นพระธิดา แห่งเจ้าสากยะองไหนแล้วจึงมาพวกทูตไปแล้วทูลขอเจ้าหญิงคนหนึ่งกับเจ้าสากยะทั้งหลายเจ้าสากยะเหล่านั้นประชุมกันแล้วทรงนำร้ำฤรษว่าเพราะราชาเป็นฝักฝ่ายอื่นผิดว่าพวกเราจักไม่ให้ไซ่เท้าเธอ จกทำให้เราชิบหายก็เมื่อว่าโดยสกุลเท้าเธอไม่เสมอกับเราเลยพวกเราควรทำอย่างไรกันดีเท้ามหานามตรัสว่าที่ดาวของหม่อมฉันชื่อว่าสภักติยาเกิดในช่องของนางทาสีถึงความเป็นผู้มีรูปงามเลิศมีอยู่พวกเราจาักให้หนังนั้นดังนี้แล้วจึงรับสั่งกับพวกทูตว่าดีหลักพวกเรา จกักถวายเจ้าหญิงแดงพระราชาพูดได้ทูลว่าเป็นพระธิดาของเจ้าสากยะองค์ไหนเจ้าสากยะเป็นพระธิดาของเช้ามหานามสากยราชผู้เป็นพระโอรสของพระเจ้าอาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อวาสภาคติยาทูตเหล่านั้นไปกราบทูลแด่พระราชาของตนพระราชาตรัดว่าถ้าอย่างนั้นก็ดีละพวกเธอ จงรีบนำมาเถิดก็ธรรมดาพวกกษัตริย์มีเล่กลบ้าจะพึ่งส่งแม้ลูกสาวของนางทาสีมาก็อาจเป็นได้พวกท่านจงนำธิดาผู้สเสวย อ, อยู่ในภาชนะเดียว ก, กันกับพระบิดามาดังนี้แล้วทรงส่งทูตทั้งหลายไปพวกเขาไปแล้วกราบทูลว่าข้อเดชะพระราชาทรงปรารถนาพระธิดาผู้สเสวย ร, ร่วมกับพระองค์ ชามหานามรับสั่งว่าได้สิพ่อจึงให้ตกแต่งนางในเวลาเสวยของพระองค์รับสั่งให้เรียกนางมาแสดงอาการประหนึ่งว่าร่วมเสวยกับนางแล้วมอบแย่ทูตทั้งหลายพวกเขาพานางไปยังเมืองสาวัตถีแล้วกราบทูนเรื่องรานั้นแด่พระราชาพระราชาทรงพอพระไยตั้งให้นางเป็นใหญ่กว่าสตรีห้าร้อคน อภิเษกไว้ในตำแหน่งอัครมหสีต่อการไม่นานนักนางก็ประสูติพระโอรสมีวันหนะเหมือนทองคําต่อมาในวันขนานพระนามพระโอรสนั้นพระราชาทรงสงพระสารไปยังสำนักพระยิกาว่าพระนางวาสภักติยาพระธิดาแห่งสกยราชประสูติพระโอรสแล้วจะทรงขนานพระนามพระกุมารนั้นว่าอย่างไร ฝ่ายอัมมานผู้รับพระราชสารนั้นไปค่อนข้างหูตึงเขาไปแล้วก็กราบทูลแก่พระยีการของพระราชาพระอายการนั้นทรงสดับเรื่องนั้นแล้วตรัสว่าพระนางวาสภกติยาแม้ไม่ประสูตรพระโอรสก็ได้ครอบครองชนทั้งหมดก็บัดนี้นางจากเป็นที่โปรดปรานยิ่งของพระราชาอัมมานหูตึงฟังคําว่าวลภาไม่ค่อยชัด เข้าใจว่าวิถุทพะครั้นเข้าไปฟ่อมพระราชาแล้วก็กราบทูลว่าขอเดชะขอพระองค์จงทรงขนานพระนามพระกุมารว่าวิถุทภะเถิดพระราชาสุนุริว่าคําว่าวิถุทพะอยากเป็นชื่อประจําตระกูลเก่าแก่ของเราจึงได้ทรงขนานพระนามว่าวิถุทพะ ต่อมาพระราชาในพระชจาฐานตาแหน่งเสนาบดีแกวิฑูทพากกุมาร น, นั้นในเวลาที่ยังทรงพระเยาว์นั้นแหละด้วยตั้งพระไถาวาแกกระทําให้เป็นที่โปรดปรานของพระศาสดาวิฑูทพากกุมาร น, นั้นทรงเจริญด้วยเครื่องบํารุงสำหรับกุมารในเวลามีพระชนมายุกเจ็ดขวบทรงเห็นของเล่นต่างๆมีรูปช้างและรูปม้าเป็นต้นของกุมารเหล่าอื่น อันบุคคล น, นํามาจากตระกูลยายจึงถามพระมารดาว่าเจ้าแม่ใครใครเขาก็นำบันนาการมาจากตระกูลยายเพื่อพวกกุมารเหล่าอื่นพระญาติไร่ไรย่อไม่ส่งบันนาการไรๆมาเพื่อมอบฉันบ้างเลยเจ้าแม่ไม่มีพระชนณีพระชนกหรือทีนั้นพระมารดาจึงลวงพระโอรสว่าพ่อ เจ้าสากยะเป็นยายของเจ้ามีอยู่แต่อยู่ไกลเหตุนั้นพวกท่านจึงไม่ได้ส่งเครื่องบรรณาการไรยๆมาเพื่อเจ้าในเวลามีพระชันษาครบ16ปีพระกุมารจึงทูลพระมารดาอีกว่าเจ้าแม่หม่อมฉันใครจะเยี่ยมตระกูลพระเจ้ายายแม้ถูกพระมารดาห้ามอยู่ว่าอย่าเลยลูกเอ๋ยลูกจะไปทําอะไรในที่นั้นก็ยังอ้อนวอนร่าไป ทีนั้นพระมารดาของพระกุมารก็ยอมว่าถ้าอย่างนั้นก็ไปเถิดพระกุมารกราบทูลราชบิดาแล้วสเสด็จออกไปพร้อมด้วยบริวารเป็นอันมากพระนางวาสภาคติยาทรงส่ ง, งจดหมายล่วงหน้าไปก่อนว่าหม่อมฉันอยู่ในที่นี้สบายดี พระยาทั้งหลายหยาดแสดงโทษไรๆของพระสวามีแก่พระกุมาร น, นั่นเลยเจ้าสากยะทรงทราบว่าวิถุทพากุมารเสด็จมาทรงปรึกษากันว่าพวกเราไม่อา่ า, า, านไหววิถุทพากุมารได้จึงส่งพระกุมารทั้งหลายที่เด็กๆ ก, กว่าวิถุทพากุมารนั้นไปยังชน บ, บทเสียเมื่อวิถุทพากุมารนั้นเสด็จถึงกบิลพัทบุรี ก็ประชุมกันในท้องพระโรงวิทูตพักุมารได้เสด็จไปประทับอยู่ในที่นั้นลำดับนั้นพวกเจ้าสากยะกล่าวกับ ก, กุมาร น, นั้นว่าพ่อผู้นี้เป็นพระเจ้าตาของพ่อผู้นี้เป็นพระเจ้าหลุมวิทูตพกุมาร น, นั้นที่วไหว้เจ้าสากิยะทั้งหมด ไม่ได้เห็นเจ้าสักยะแม้องค์หนึ่งไหว้ตนจึงทูลถามว่าทำไมหนอจึงไม่มีเจ้าสักยะทั้งหลายไหว้หม่อมฉันบ้างพูกเจ้าสักยะตรัสว่าพ่อกุมารที่เป็นน้องๆของพ่อเสด็จไปชนบทเสียหมดแล้วทรงทาส ก, การะใหญ่แก่พระกุมาร น, นั้นพระองค์ประทับอยู่สิน้น2ถึงสาวันก็เสด็จออกจากพระนครด้วยบริวารเป็นอันมาก ลำดับนั้นนางทาสีคนหนึ่งแช่งด่าว่านี้เป็นแผ่นกระดานที่บุตรของนางทาสีชื่อวาสภาคติยายนั่งดังนี้แล้วล้างแผ่นกระดานที่พระกุมาร น, นั้นนั่งในท้องพระโรงด้วยน้ำอันเจือด้วยนมมหาเล็กคนหนึ่งลืมอาวุธของตนไว้กลับไปเอาอาวุธนั้นได้ยินเสียงด่าวิทูทพกุมารจึงถามโทษนั้นทราบว่านางวาสภาคักขจ เกิดในท้องของนางทาสีของท้าวมหานามะจึงบอกกล่าวแก่พวกพลได้มีการอื้อเฉากันอย่างขนานใหญ่ว่าได้ยินว่าพระนางวาสภกติยาเป็นที่ดาของนางทาสีจาวิทุทพะทรงสนับคำนั้นตั้งพระหฤทัยไว้ว่า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 ได้ให้ทีดาของนางทาสีแก่เราจึงรับสั่งให้ริบเครื่องบริหารที่พระชทานแก่พระนางวาสภกติยาและพระโอรสให้พระชทานเพียงสิ่งของอันผู้เป็นทาสและทาสีพึงได้เท่านั้นต่อมาโดยการล่วงไปสองถึงสามวันพระศาสดาเสด็จไปอย่างพระชนิเวศประทับนั่งแล้วพระราชาเสด็จมาถวายบังคมแล้วทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข่าวลือว่าพวกพระญาติของพระองค์ประทานธิดาแห่งนางทาสีเจมอมฉันเพราะฉะนั้นหมอมฉันจึงรีบเคื่องบริหารของนางวาสภาคติยานั้นพร้อมทั้งบุตรให้ให้เพียงสิ่งของอันผู้เป็นชาติและทาสีขนได้เท่านั้นพระศาสดาตรัสว่ามหาบอพิษพวกเจ้าสากยะทากรรมไม่สมควรธรรมดา เมื่อจะให้ก็ควรให้พระธิดาที่มีชาติเสมอกันมหาบอพิษก็อัตมาภาพขอทูลพระรงค์ว่าพระนางวาสภาคัตติยาเป็นพระธิดาของขติยราชต่อภิเศกในรัชมนเทียนของขติยราชฝ่ายวิทุทพากุมานก็ทรงอาศัยขติยราชนั้นแหละประสูตุแล้วธรรมดาว่าโคตฝ่ายมารดา จกทำอะไรได้โคตฝ่ายบิดาเท่านั้นเป็นสำคัญดังนี้แล้วตรัสว่าโบราณกับดิต ท, ทั้งหลายได้พระชทานตำแหน่งอัครมเหสีแะ่หญิงผู้ยากจนชื่อกัณฑาฮาริกาและพระกุมารที่เกิดในท้องของหนังนั้นก็ถึงความเป็นพระราชาในพระนครพระนศีอันกว้างใหญ่ไพศาลถึงสิบสองโยชนสงพระนามว่ากัถวานาราชาแล้วตรัส กัถะหาริยชาดกพระชาชาทรงสดับธรรมกะถาทรงยินดีว่าทราบว่าโครฝ่ายบิดาเท่านั้นเป็นสำคัญจึงรับสั่งให้พระจัฐานเครื่องบริหารเช่นเคยนั้นแหลแก่มารดาและบุตรภรยาแม่ของพันธุลษณนาบดีแลชื่อมัลลิกาซึ่งเป็นพระธิดาของเจ้ามันละในกุศินาราณครได้คลอดบุตรสิ้นกาลนานต่อมา พันธุลษเสนาบดีส่งนางไปว่าเจ้าจงไปสู่เรือนแห่งตระกูลของตนเสียเถิดนางคิดว่าเราจะเฝ้าพระศาสดาแล้วจึงไปจึงเข้าไปยังพระเชตวันยืนถวายบังคมพระเจาคตอันพระเจาคตตรามถามว่าเธอจะไปหน้าที่ไหนกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสามีส่งหมอง่อมฉันไปสู่เรือนแห่งตระกูล พระศ า, าสดาตรัสว่าเพราะเหตุไรนางกราบทูลว่าในยว่าหม่อมฉันเป็นหมันไม่มีบุตรพระศ า, าสดาตรัสว่าถ้าอย่างนั้นจิตคือการไปไม่มีจงกลับไปเสียเถิดนางดีใจถาวายเบงคมพระศ า, าสดากลับไปสู่นิเวศเมื่อสามีถามว่ากลับมาทำไมก็ตอบว่าพระทศพลให้ฉันกลับพันธุลคิดว่าพระทศพล ผู้ทรงเห็นการไกลจากเห็นเหตุนี้จึงรับไว้ต่อมาไม่นานนักนางก็ตั้งครรภ์เกิดแพ้ท้องบอกว่าความแพ้ท้องเกิดแจกบ่มชันแล้วพันธุลกาก่าวว่าแพ้ท้องอะไรนางตอบว่านายฉันใคร่จะลงอาบแล้วดื่มน้ำควรดื่มในสระโบกกรณีอ่านเป็นมงคลในงานอภิเศก แห่งคณะราตรากูลในนครภยัยาลีพันธุลกล่าวว่าดีละแล้วถือธนูอันบุคคลพึงโกงด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษพันหนึ่งอุ้มนางขึ้นรถออกจากเมืองสาวัตถีขับรถเข้าไปสู่เมืองภัยาลีโดยประตูที่เจ้าลิชวีให้แก่มหาลิลิชวีก็ที่อยู่อาศัยของเจ้าลิชวีนามว่ามหาลิมีอยู่ณที่ใกล้ประตูนั้นแล พอท่านได้ยินเสียงรถกระทบธรณีประตูก็รู้ว่าเสียงรถของพันธุละจึงกล่าวว่าวันนี้ภัยจะเกิดจะพวกเจ้าลิชวีการอารักขาสะบครณีแข็งแรงทั้งภายในและภายนอกเบื้องบนเขาขึงข่ายโลหะแม้นกก็ไม่มีโอกาสฝ่ายพันธุละศินาบดีลงจากรถเคี่ยนพวกมนุษย์ผู้รักษาด้วยหวายให้หลบหนีไปแล้วตัดข่ายโลหะ ให้ปริยาอาบแล้วแม้ตนเองก็อาบภายในสระบกกรณีแล้วอุ้มหนังขึ้นรถอีกออกจากพระนครขับรถไปโดยทางที่มาแล้วนั่นแหละพวกเจ้าหน้าที่ผู้รักษาทูลเรื่องแย่พวกเจ้าริชวีพวกเจ้าริชวีก็กลิ้มเสด็จขึ้นรถ500้คันขับออกไปด้วยเจตนาว่าจะจับเจ้ามันละชื่อพันธุละได้แจ้งเรื่องนั้นแก่เจ้ามหาลี เจ้ามหาลิตรัสว่าพวกท่านอย่าเสด็จไปเพราะเจ้าพันธุล้านั้นจกฆ่าพวกท่านทั้งหมดแม้เจ้าลิชวีเหล่านั้นก็ยังตรัสว่าพวกรับประ Jaw จ, าจากไปให้ได้เจ้ามหาลิตรัสว่าถ้ากระนั้นพวกท่านทรงเห็นที่ที่ล้อรถจมลงสู่พื้นดินจนถึงดุ่มแล้วก็พึงเสด็จกลับเมื่อไม่กลับแต่นั้นจะได้ยินเสียงเรากับสายอสนิบาทข้างหน้า เพิ่งเสด็จกลับจากที่นั้นเมื่อไม่กลับแต่นั้นจะเห็นช่องในแอร่รถของพวกท่านเพิ่งกลับแต่ที่นั้นทีเดียวอย่าได้เสด็จไปข้างหน้าเป็นอันขาดเจ้าลิชวีเหล่านั้นไม่เสด็จกลับตามคําของมหาลิพากันติดตามพันธุระเรื่อยไปนางมลิกาเห็นแล้วจึงกล่าวว่านายรถทั้งหลายย่อมปรากฏพันธุลากล่าวว่าถ้ากระนั้นในเวลารถปรากฏ เป็นคันเดียวกันทีเดียวเจ้าพึงบอกในการเมรรถทั้งหมดปรากฏดุดเป็นคันเดียวกันนางจึงบอกว่านายงอนรถปรากฏเป็นคันเดียวกันทีเดียวผันธุระกล่าวว่าถ้ากระนั้นเจ้าจงจับเชือกเหล่านี้แล้วให้เชือกเจา้าหน่ายืนตรงอยู่บนรถโกงธนูแล้วล้อรถจมลงสู่พื้นดินถึงดุมเจ้าฤาษีทรงเห็นที่นั้นแล้วก็ไม่เสด็จกลับ เจ้าพันธุล้นอกนี้ได้ไปหน่อยหนึ่งก็ดีดสายธนูเสียงสายธนูนั้นได้เป็นประ น, น, นึ่งอสนีบาทเจ้าลิชวีทั้งหลายก็ยังไม่เสด็จกลับแม้จากที่นั้นยังคืนเสด็จติดตามไปอยู่นั่นแหละพันธุล่ายืนอยู่บนรถนั้นแหละยิงลูกศรเป็นลูกหนึ่งลูกศร น, นั้นทํางอนรถ ห้าร้อยคันให้เป็นช่องแล้วแทงตลุพระราชาห้าร้อยในที่ผูกเกาะแล้วจมลงในแผ่นดินเจ้าลิชวีเหล่านั้นไม่รู้ว่าตนถูกลูกศรแทงแล้วตรัสว่าเฮ้ยหยุดก่อนเฮ้ยหยุดก่อนยังคขนเสด็จติดตามไปนั้นแหลพันธุลากษณะบดีหยุดรถแล้วกล่าวว่าถ้ากระนั้นพวกท่านจงแก้เกราะของคนหลังทั้งหมดดูพวกเจ้าลิชวีเหล่านั้นให้แก้แล้ว เจ้าลิชวีองค์นั้นล้มลงสิ้นชีพิตกใสในขณะแจกลายออกแล้วนั่นเองทีนั้นพันธุละจึงกล่าวกับเจ้าลิชวีเหล่านั้นว่าพวกท่านแม้ทั้งหมดก็เหมือนกันสเสด็จไปเรือนของตนของตนแล้วจึงจัดสิ่งที่ควรจัดพ ร, ร่ำสอนลูกเมียแล้วจึงค่อยแจกลายออกเจ้าลิชวีเหล่านั้นกระทําอย่างนั้นทุกๆองค์ถึงชีพิตรใสแล้วฝ่ายพันธุละ ก็พานางมลิกามายัางเมืองสาวัถีนางคลอดบุตรเป็นคู่คู่ถึงส6ครั้งแม่บุตรของนางทั้งหมดได้เป็นผู้แก้วกล้าถึงพร้อมด้วยกำลังถึงความสำเร็จศิลปะทั้งหมดคนหนึ่งคนหนึ่งได้มีมรษพัน์คนเป็นบริวารพระลานหลวงเต็มพรึบได้บุตรเหล่านั้นแหลซึ่งไปในราชนเวศกับบิดา